การษนั้นไม่ได้กรเกี่ยการเรียน ร, รูรร้ที่จะทรงจำอะไรไว้มากประไตรปิฎกหรือพระคำพีทางวิทยาศาสตร์ทางกฎหมายแท้ที่จริงผลได้สุดท้ายของการศึกษาคือการบรรลุถึงการมีอุปนิสัย ใ, ใจคอสมมติว่าการขับรถยนต์หนึ่งครับเราอาจจะคิดเราขับไม่เป็นเราคิดว่ามันเป็นความเก่งความสามารถของพ่อเราสมมว่าเรายัางเด็กอยู่เห็นพ่อขับเก่งมาก ที่จริงไม่ครับมันเป็นการสร้างอุปนิสัยหลังพวงมาลัยเท่านั้นแล้วก็การจะเป็นนักขับที่ดีก็ต้องสร้างอุปนิสัยด้วยชุดตัวความเก่งนั้นมันเป็นนักขับที่ดีไม่ได้นั่งหลังพวงมาลัยบ่อยๆทำหน้าที่บ่อยๆในสุดบรรลุถึงอุปนิสัยพอนั่งหลังพวงมาลัยในท้องถนนก็จะพารถยนต์และลูกเต้าไปอย่างปลอดภัยได้การสร้างอุปนิสัยคือจะทั่งบรรลุถึงความมีอุปนิสัยนั่นคือการศึกษา ทำวในทั้งหมดของพระเจ้านะครับโดยเฉพาะตัวพระวินัยเนี่ยเพื่อให้บรรลุถึงอุปนิสัยเดังนั้นเมื่อเข้ามาในวัดดังที่ผมเล่าไปแล้วนะครับว่านอกเหนือจากการรู้จักชุมชนหรืเอเจนสัยอยู่แล้วเป็นการแสวงหาญาณทัศนะ์หรือญาณวิเศษที่จะเห็นอริยสัจได้นี่นก็ต้องสร้างอุปนิสัยดังนั้นพระสงฆ์เขาไม่ฝึกเตืออะไรมากนะครับไม่จําเป็นว่าไปแล้วไม่มีความจําเป็นต้องเรียนคืนหาอะไรเลยนอกแต่ตื่นแต่เช้า โพชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคเห็นพระต้องสำรวมมีสติในการฉันในการหมจีวรในการเคลื่อนมือเคลื่อนเท้าแม้ในคำพูดคำจาจะให้เกิดความผิดพลาดล่วงเกินผู้อื่นขึ้นนี่เป็นบทเรียนเพื่อสร้างอุปนิสัยครับตมาอินทร ส, ส, สังวรโพชเนมัตตัญญุตาและอินทรสังสโรนะครับแล้วก็ชากริยมโยค กลัวง่ายคือทำเป็นเครื่องตื่นนั่งแต่ตื่นเช้าเชออกบินตาบาทกวาดวัดกรงอาบัตทําวัดพระอุปถากรุบาจารย์ดูไปเนะี้ทั้งหมดนี้จะเรียกสิกขาคือการศึกษาเมื่อพระบวชประมาหน้ามานีานะก็บรลุถึงความมีอุปนิสัยอุปนิสัยของสมณะครับเห็นชัดว่าบทเรียนทั้งหมดนี้เพื่อให้บรรลุถึงความมีอุปนิสัยซึ่งเป็นต่อให้เก่งกาจฉลาดเพียงใดนะ ถ้าไม่มีอุปนิสัยในการวาดรูปสะท้อนจริงสวยงามก็ก็อาจจะโด่งดังอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวก็พูดหายทุกวันนี้ก็พูดกันมากครับพวกนักวิชาการพูดว่ามหาวิทยาลัยตายหมดแล้วน่าตกใจจริงๆแต่ผมเห็นด้วยในสิ่งที่น่าตกใจนี้การศึกษาไม่อาจบรรลุถึงความมีอุปนิสัยใครรู้อีกเลยครับในกระแสบริโภคทำให้ทุกคนไม่อยากเรียนรู้อะไรอีกเลยนอกจากเงินอํานาจดูพิธีกรหรือดาราภาพยนตร์นะคะ เงือนเป็ทุกคนเลยครับนี่คือความล้มเหลวของการสร้างอุบนิสัยขึ้นมาคือลอกเรียนเงินลอกเรียนเงินเป็นชุดๆการบรรลุถึงอุปนิสัยนั้นเป็นสิ่งเป็นภาวะที่สําคัญยิ่งยิ่งยวด น, นะครับตามที่ผมเข้าใจนะครับเมื่อคนมีอุปนิสัยมากๆเข้านะครับก็เกิดความชำนาญในมัดกลนขึ้นมาโดยเฉพาะอุปนิสัยในการดูใจดูตัวเอง อุปนิสัยในการรู้ตัวซึ่งเราต้องสร้างอุปนิสัยนะครับไม่ใช่รู้ตัวแล้วหายไปเดือนหนึ่งแล้วมารู้ตัวอีกคอย่นี้ไม่เป็นการสร้างอุปิสัยแล้วไม่เป็นศึกษาบทไม่เป็นการศึกษาครับการเชิญนิพพสนาหรือซึ่งผมเองก็ไม่เคยอยากใช้คํานี้เพราะมันเกลื่อนแล้วน่าเบื่อว่าคำวิปปสนาว่าคนทั่วไปเขาจะนั่งหลับนั่งหลับหูหลับตาผมยักเย้ยไม่ใช้คำวิภัตสนานะครับที่จริงมีทัสนานั้นศับเดียววิปัสสนาแต่เป็นสันสกฤต วิทัศนาแปลว่าการเห็นแจ้ง <S <S <Led? S 1> คือการสร้างอุปนิสัยใจคอเหมือนเรารักเพื่อนทคนหนึง่งเพราะเราชอบอุปนิสัยใจค อ, องเขาเขาไม่ใช่คนกับกรอกกลับไปกลับมาจนจับไม่ได้เขามีอุปนิสัยอย่างไรเนะมื่อเราปรองใจรักใครที่คนหนึ่งคือเรารักอุปนิสัยใจคอหรือเมื่อเรานั่งรถยนต์คันหนึ่งซึ่งคนขับเป็นคนที่เราวางใจเราหลับได้เลยครับเราเรารู้ว่าเขาเขาจะเป็นเขาซึ่งพร้อ ม, มไปด้วยอุปนิสัยใจคอ กรารศ่านั้นต้องลากฐานกรารศาอยู่ตรงนี้ครับคือทำให้บุคคลหรือผู้ที่เข้ารับกรารศาบรรลุถึงความมีอุปนิสัยในสิ่งนั้นนั้นดังนั้นการ ท, ทําที่เที่ยกเพีย้ยนนะครับวิทยะกเกิดขึ้นแล้วเป็นแรงขับที่สําคัญทําให้บรรลุถึงอุปนิสัยแน่นอนครับให ม, ๆม่ๆก็ฝืนเช่นการดูรู้สึกตัวและดูดูตัวเอง ใหม่ๆลำบากมากเพราะเราชอบดูนนข้างนอกเมื่อผมเข้าไปเรี้วิทยาศาใหม่ๆนะอาจารย์ที่สอนต้อบอกว่าดูข้างในเจนะ็ดแข้างนอกสามหรือข้างในหกข้างนอกสี่ผมงงมากไอ้มันแบ่งเหมือนคณิตศาสตร์ได้ด้วยหรือเพราะเราไม่เคยเรียนรู้จริงๆเลย<ม>เพราะทุกครั้งเราหลุดขั้วไปทั้งหมดพอคุยกับใครเข้าก็หมดเลยหมดตัวเลยเราอีกทีหนึ่งสวิงมาสุดขั้วมาดูจ้องดูตัวเองเต็มที่แล้วไม่ได้ดูโลก ดัะนั้นเราอยู่ในลักษณะการกระทําซึ่งแบ่งแยกตลอดเวลาส่วนการสร้างอุปนิสัยซึ่งเป็นตัวการศึกษาจริงๆนะครับไม่ว่าศึกษาทางโลกหรือโดยเฉพาะวิทัาศาสานี่คือรู้ตัวบ่อยครับความรู้ตัวนี่มันมันคิดว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวครับเมื่อเรายกย่างเท้าข้างขวาเดินออกไปบางสิ่งไปกับเราเมื่อเรานั่งบางสิ่งนั่งกับเรา พมไม่ได้พดเรื่องิญญาณเรื่องผีพราความรู้ตัวนี่มันสิงก็ติดอยู่ในตัวเราเนงครับเมื่อเรายื่นแขนความรู้สึกตัวก็ทําหน้าที่ของมันทันทีหรือเราก็พิตารมีความสดใหม่ปรากฏขึ้นกันเพราะฉะนั้นเองรากฐานของสี่ฐานสี่ที่พระเจ้าตรัสโดยย่ยอๆคือเมื่อเครื่องอภิกษุเครื่องมือก็รู้ชัดว่าเครื่องมือฟังดูไม่มีเหตุไม่มีผลแต่มันเป็นเหตุผล อีกด้านหนึ่งของการสร้างอุปนิสัยมันไม่ใช่เหตุผลมันนั่งคิดเชิงอุปนิสัยต่อเมื่อทำอย่างนังน้นแล้วจึงจะรู้ผลถ้าไม่ทำนะฮะหาเหตุหาผลแล้วเราจะไม่ไม่เห็นคุณค่ามันเลยมันจะได้อะไรขึ้นมาจากการเคลื่อนมือแล้วรู้ตัวว่าเคลื่อนมือนั่งรู้ตัวนั่งมันไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าเราคิดด้วยด้วยเหตุผลนะแต่ถ้าเราเทรนตัวเองที่จริงคาว่าสิกขาแปลว่า เ, เทรนไม่ใช่แปลว่าเรียนจํานะฮะสิกขาคือการสร้างอุปนิสัยขึ้นเช่นเดียวกันขับรถยนต์นะครับ แต่ว่านี่เป็นข้างในครับหพราะเรารู้ตั ว, วบ่อยๆไม่ว่าเราจะเดินในท้องถนนหรือในรถเมล์หรือแม้จะขับรถก็ทำได้ครับหรือสักผ้าถูพื้นแต่ที่ทํายากคือขณะที่พูดครับพูดมันมันเข้าไปในความคิดง่ายนิดเดียวแต่ถ้าคุณเคยมากนะครับจนกระทั่งเราเห็นการเข้าการออกคือการมีสติการขาดสติ เมื่อรู้ตัวเองขาดสตินั่นคือสตินะฮะมีนเล่นแปลกๆในเรื่องนี้เมื่อรู้ตัวเองว่าลืมตัวนั่นเป็นการรู้ตัวครับรู้ตัวแล้วว่าลืมตัวไปเนี่ยมันดึงกลับมาทันทีเมื่อมีสติก็รู้ว่ามีสติเมื่อไม่มีสติก็รู้ชัดว่าไม่มีสตินั่นคือสติมันเหมือนการฟุ้งฟักอะไรบางสิ่งครับบ่มหรือเหมือนกับไม้สองด้นมาสีเพื่อเกิดความร้อนเมื่อความร้อนถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดการลุกไหมขึ้นมา ที่เปลี่ยนฐานะคือเหมือนการเราต้มน้ําถึงจุดเดือดขึ้นมาน้ําก็แปลสภาพกลายเป็นไอจากความรู้สึกตัวง่ายนี้ครับจะค่อยๆช้ำแลกเข้าสู่เนื้อหามาก ย, ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นผมได้แนะนำํำง่ายๆกว้า ง, างๆนะตั้งแต่พุทธวัตรจากพระคมพีศักดิ์สิทธิ์เล่มหนึ่งซึ่งฝ่ายเทรวาทไม่คุ้นเคยคือละลิทวิสตราซึ่งทอนวิถีชีวิตของเจ้าชายทั้งสองอย่าง สองด้านคือด้านที่เป็นประดุษเทพและด้านที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นหนังสือที่ผมคิดว่าใกล้ชิดกับชีวิตจริงมากเช่นตอนเจ้าชายไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนการไปเรียนหนังสือท่านนั้นเป็นเพียงอุบายที่พระบบริษัทจะสอนเพื่อนนักเรียนร่วมรุ่นให้ได้รับความรู้เท่านั้นแล้วก็จูมือยโสธราพิมพาไปแนะนาซึ่งเป็นวิถีชีวิต คล้ายๆกับเราครับเมื่อเรามีแฟนมีคู่รักกันแนะนาให้พี่ให้น้องรู้จักดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีประโยชน์นะแต่ว่ามันจะท้อนถึงวิถีชีวิตของท่านซึ่งทำให้เรารู้สึกใกล้หัว ใ, ใจเรานืบแต่ความมีสุนทรียภาพตอดอกไม้ในเดือนพฤกษาความกระตันอยู่นะครับเครื่องสุดท้ายในชีวิตของของกรงท่านเองได้ท้อนชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาสามัญ ผมใช้คำนี้ค่อนข้างมินเม่เดี๋ยวถูกพระด่าเฟิงผู้รูเจ้าเป็นคนธรรมดาสามันไม่ได้จริงในความธรรมดาสามัน ท, ท่านนั้นมีความเป็นอริยะอยู่ในนั้นด้วยคือท่านรู้ว่าท่านเป็นถึงวรระสุดท้ายของชีวิตท่านเหลียวหน้าไปดูเมืองเวสาลีแล้วก็พู้นพรมพุทธพน์ออกมาจนเป็นเอเดฟรานนทึ่งแปลกใจพืพ ร, พรมว่าโลกนี้งดงามจริง จิตรังชมพูทวีบังชมพูทวีนี่หมายโลกนะไม่ได้หมายอินเดียหมายโลกผืนภาพของโลกเนี่ยจะบอกโลกนี้งามจริงมโนมรมังชีวิตดังมนุษนามาชีวิตเยี่ยงมนุษย์ช่างน่ารื่นรมใจมันเข้าถึงความจริงแท้แล้วเกิดความรื่นรมกับชีวิตขึ้นมาซึ่งภาพอันนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเราคิดว่าพระเจ้าก็เป็นพู้ที่เต็มมาด้วยกฎเกณฑ์ระเบียบเคร่งครัดแล้วมาบีบคั้นให้เรา ให้เราทำอะไรตามท่านแล้วก็ไม่มีสุนทรีภาพผมก็ได้เสนอเห็นแล้วนะครับว่าพระเจ้าเข้าสู่ประตูธรรมเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาด้วยประสบการณ์เจนจัดในดนตรีสังคีตความเจนจัดนุ่งไวหนุ่มธรรม่านเฉลียวใจทันก่อนที่สายใ ย, ยชีวิตจะขาดสบับนลงก็ด้วยสายเสียงของดนตรีที่เป็นกลางลางและไพเราะนั่นเองคิดว่าจบเท่านี้ครับ มีมีคำถามเมื่อไหร่ก็ได้ครับอยากจะให้เท่าอาจารย์ช่วยอธิบายที่วิธีปฏิบัติที่พระโพธิ์ที่เมนสอนพระโพธิละที่เรื่องจับจับเพี้ยในจอมปัวกที่มีหกทางผมไม่ได้ยินนะผมมันอื้งครับฟั ง, ฟ, งฟังไม่ชัดเรื่องการจับเพี้ยในจอมปลวกที่มีโลยู่ววุ้งหรือวะครับ ว่เาเคยถานพระสันติพระสันติอธิบายว่าเป็นการรู้ทละทางหมายถึงว่าคือเมื่อก่อนเข้าใจว่าเป็นการปิดตาหูจมูกเลี้ยงกายแต่ให้พิจารณากิดเลสทิจใจแต่พระสันติอธิบายว่าเป็นการถ้านเรารู้ทางหนึงแล้วปิดอีกห้าทางอย่างเงี้ยผมไม่ไม่นิยมที่จะปิดผ ม, มนิยมที่จะเปิดเหมือนตาเรามีไม่ดูครับแล้วก็ถ้าเราขืนไม่ใช้ตาเนี่ย หรือสมองเมื่อเราไม่ใช้สมองมันจะสูบลงนะหน้าที่มันจะน้อยลงน้อยลงหล้วอันนี้ผมไม่ได้คัดค้านผู้เทีอธิบายไว้ล่วงหน้านะครับว่าทําอย่างนั้นถูกหรือผิดแต่ผมคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อมั่นในธรรมชาติในการสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่ให้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจแล้วผมยังเชื่ออีกว่าในช่วงอายุไขของเราไม่คิดบัติเหตุนะเราสามารถทำความรู้จักแจ่มแจ้งกับ สิ่งดีๆเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องไปทำลายตาทำลายหูหรือแม้แต่หลับหูหลับตาผมคิดอย่างนั้นนะแล้วผมก็ขอแนะนิอีกสิ่งหนึ่งก็คือความรู้สึกตัวนะดังนั้นการหลับจานี่เท่ากับทำให้โลกของความจำใสยที่ผ่านทางตานี่หายไปทั้งโลกเลยโลกแห่งแสงและรูปนี่จริงอยู่หูเราจะดีขึ้นแต่เราจะทาเล่นเกม วุ่นวากงั้นทำไมครับทั้งๆ ท, ที่ลืมตาเนี่ยเราสามารถเจริญนิพพานาได้จิตมันคิดเราก็รู้นะครับหลับตามก็ร้ลืมก็รู้ถ้าจะหลับก็หลับเพราะฝุ่นฝุ่นมันฟุ้งได้อย่างนั้นนะครับกลไกชีวิตเหล่านี้อินทรสระเหล่านี้นะฮะถูกสรรสร้างขึ้นมาอย่างเหมาะเจาะเราไม่มีความจําเป็นที่จะไปทําลายหรือไปคิดตัวเป็นอุปสระขึ้นมาไม่มีร่างกายเราก็ไม่รู้จะเดินไปไหนมาไหนได้อย่างไร ผมก็เห็นว่าร่างกายชีวิตนี้มันดีแล้วครับเหลืออย่างเดียวนั้นนะครับคือมันเผลอสติบ่อยมันที่เรออาเรียกโมหานะั้นพี่จริงมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงนะเพียงเราเผ ล, อ, เลอบ่อยเราเข้าไปดุยเข้าไปในเรื่องราวแล้วทุกครั้งถ้สังเกตมากเข้าที่ว่าเข้าในความคิดแล้วทุกทันทีครับสังเก่ดูเราวางแผนทําอะไรทุกอย่างพอลืมตาตื่นเชา้าบอเข้าในความคิดนี่อาแล้วเริ่มบางทียังไันตื่นเลยทุกแล้วครับงอน พอเราเข้าไปในความคิดครับเราความคิดก็ปรุงการปรุงมันคือมันเอาความอะไรวอนอดีตเนี่ยความทรงจําเกี่ยวสิ่งต่างเข้า่าคลุกคล้าวจงกระทั่งจิตใจที่ห่องใสนั้นมัวหม่นแต่จิตใจที่มัวหม่นนั่นแหละครับก็ซ่อนความผ่องสใสไว้ในนั้นด้วยเหมือนน้าขุ่นเนี่ยน้ำใสก็อยู่ในน้ําขุ่นครับเรื่องเรื่องคือเราปลุปกเราไอ้ส่วนที่มันทําความกระจ่างแจ้งมีแสงสว่างชนิดหนึ่งครับ ในตัวมนุษย์คือความรู้ตัวความคล่องตัวที่เราเคลื่อนมือได้อย่างสบายใช่ไหมฮะแต่สังเกตดูวันไหนที่คู่รักของเราหรือภรรยาหรือสามีว่าเราแรงๆเนี่ยลุกไม่ขึ้นเลยครับ <laughs> <laughs> มีอะไรบางอย่างมันเหมือนมีภูเขาทับอยเดิ น, นไ ม, มไนไ่ไม่สะดวกมือไหวเคลื่อนไหวไม่สะดวกผมอธิบายอย่างนั้นไม่เป็นครับที่ให้ปิดหูซ้ายขวาปิดตาสอง ข, องข้างปิดบัก ปาดไปบ้างแล้วนั่งสบายอันนี้ผมคิดว่าเป็นคำพูดเล่นๆอยูมากกว่าอ๋อเล่นเที่ยวยังไม่ได้ตอบนะฮะแต่ถ้าที่ผมรู้มาไม่ใช่หกทวารเลยเก้าทวารเน้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องพระโพธิละที่ในน้อยสอนพระโพธิละใครนะครับพระโพธิละที่ีพระโพธิละเป็นคนที่รู้พระไตรปิอกมากมายแล้วพระพุทธเจ้าเรียกว่าไตรลาน่าเลยโพธิโพธิละโพธิละโพธิละใช่ไหอ๋อโพธิละครับ แล้วเสร็จแล้วก็พระโพธิร้านนี้ก็ไปหาอาจารย์จนไปได้เล น, นน้อยอะและ้วเมนนี้ก็สอนพระโพธิละกษให้ใคล้ายๆว่าที่ดูจำปูกคือจัเพียที่อยู่ในจำปวกซึ่งมีรูปของอ๋อเนื้อความมัมาามอนอะอย่างเงีที่เล่ามาครับที่ถึงนี้ครับแต่ น, นี่สําคัญนะฮะดีๆแล้วที่ถามมาปกตินั้นเราจะไม่รู้จักกิเลสแล้วมเมื่อเราไปเจริญสมถะข่มกิเลสกิเลสก็ไม่โผล่หน้ามาหเห็น ก็ไม่เห็นไม่รู้จักแต่ว่ากิเลสไม่ปรากฏท่านนั่นเองท่านบอกเหมือนอศิลาทับยายางอ่อนไม่ได้แต่พอยกหินเมื่อไหร่ก็งามขึ้นมาอีกทีนี่นะนั้นวิธีปฏิบัติตนเช่นนั้นไม่ใช่วิทัศน์อไม่ใช่วิปัสนาโดยตรงจะเป็นการทําชั่วครู่ชั่วแล่นเป็นอุบายระงับอารมณ์เป็นอุบายแสวงงามความสงบชั่วครู่ชั่วยามครับไม่ใช่การแตกหักกันในทางปัญญา ทีนีทางที่ยังเห็นรู้จักกิเลสก็ต้องแย่ให้มันเกิดครับเหมือนเฮีย้ยที่อยู่ในโพลงเนี่ยเรานั่งเฝ้ามันไม่รอนะครับตอนน้องนาร้อนลวกเข้าไปทํายังไงก็ได้ให้มันให้กิเลสโพลมันจงได้พีนี้จะได้ฆ่ามันจะได้รู้จักมันได้เห็นมันบางทีไม่ต้องฆ่ามันก็หายไปแล้วครับแค่รู้จักเห็นมันนั่นเองครับเดังนั้นการงัวสงบแบบสมถะ ก, ก็จะได้รับผลระงับเป็นชั่วครั้งช่วงคราวครับ แต่เล่ น, นเนาเถิดกันจนตายครับส่วนวิทัศนาหรือที่พระเจ้าแหนเน้นหนึ่งครับบอกแต่คําอธิบายนี่มินเมนะคร บ, บางนิกายของพุทธเนี่ยเช่นนิกายตันตระเนี่ยถ้าเราได้ยินเราหงายท้องเลยครับเขายั่วยุให้กิเลสเกิดโดยทําพื่อจะรู้จักผมตอบเท่านี้นะมากเรื่องกว่าเดียว ค, ค, คือมีวิธีคิดก็มีวิธีสําหรับความเข้าใจของในประเด็นสุดท้ายต่อปัญหานี้ก็คือ เมื่อเรามีสติความรู้ตัวต่อเนื่องเนเฝ้าดูใจนะครับไม่ต้องระวังที่หูเพราะทุกเรื่องที่เข้าทางหูต่างๆมันลงวิโฟกัสลงที่จิตใจแล้วก็ปรากเรื่องราวที่ใจนะฮะแต่ว่าตาหูก็ดีแล้วที่มันได้ลืมไว้ครับได้เห็นเป็นบุญแล้วที่ได้เห็นรูปเป็นบุญที่จะยินเสียงนะครับแต่วถ้าสิ่งที่ร้องมันเลวร้ายขึ้นก็ก็เป็นปัญหานิดหน่อยครับแต่ปัญหามันอยู่ที่จิตใจครับ เพราะจิตใจเป็นแหล่งที่ปรุงแต่งข้อมูลเก่าๆขึ้นมาดังนั้นที่ท่านบอกว่าให้เฝ้าดูที่ประตูใจเนอะเป็นคําแนะนําที่ตรงเป้านะถ้าเราไประวังที่ตาอย่างเดียวนั้นเมื่อตาเห็นรูปสักดิเราไเห็นไประวังที่นี่มันก็ย่อมใหญ่เลยมันต้องขกประตูต้องาประตูหลักที่สําคัญมากนะฮะเพราะทุกเรื่องการกระทบสัมผัสนั้นมันสัมผัสที่หูที่ตาที่จมูก ที่ลิ้นที่กายก็จริงแต่ว่ามันไปรวมยอดลงที่ใจเท่าตรงนั้นนะครับจะได้เปรียบคือว่าชีวิตนี้ผมอยากถามว่าชีวิตนี้คือการดําเนินไปอย่างไรแล้วก็ดําเนินเพื่ออะไรแล้วจุดหมายปลายทางคืออะไรในแต่ละคนแงงัดคําถามดุนเบลเลยไม่ามาเลย มีภาพเขียนกวงการภาพหนึ่งนะครับฟิลิปินส์ฝรั่งเศสในยุคอิมเพรสชันนิสม์เขาวาดภาพใหญ่มากเราคือใครเราจะไปไหนเรามาจากไหนสำหรับส่วนตัวผมเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยเป็นคำถามยอดเท่เลยครับแต่ดีนี้ดเหมือนว่ามีคำถามแทรกมาจะอยู่ไปทำอะไรเนี่ยแรกขึ้นมาครับแทรกขึ้นบ่อยๆด้วยเกิดขึ้นอะไรเลยครับ ถ้าให้ผมตอบกว้างๆนะครับก็คือระหว่างตัวเรากับจักรวาลหรือกระแสธรรมชาติทั้งหมดผูกพันกันมาแต่ต้นส่วนที่ปรากฏเป็นความรับรู้นี่เป็นพัฒนาการขั้นขั้นหลังสุดถามว่าเรามาจากไหนเหมือนคำถามนี้ไม่ได้เรียกร้องคำตอบเพราะว่าทุกคำตอบจะถูกย้อนถามด้วยคำถามใหม่เช่นเดียวกับคถามในเรื่องว่า ใครสร้างโลกนี้พระเจ้าแล้วใครสร้างพระเจ้าแล้วถ้ามีอะไรสร้างพระเจ้าก็ถูกถามอีกเรี่ยๆเลยไม่รู้จบเลยครับแล้วเช่นเดียวกำถามว่าเราจะไปไหนถ้าคืนตอบมันก็จะงอกขึ้นเป็นคถามไม่รู้จบจบถามว่าเราคือใครตอบได้มากมายแต่ถ้าถามว่าเราคืออะไรเป็นอะไรตอบง่ายครับคือเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอยู่นี่ครับ นันต่อคําถามเชิงปรัชญานี้ระหว่างนักปราชญ์กับชาวบ้านเนี่ยมีอะไรต้องพิจหนอช่างตวงวิธีวิธีคิดของชาวบ้านเนี่ยตรงเป้ากว่าเช่นถาเราตั้งคําถา ม, ถามกับนักปราชญ์ว่าชีวิตคืออะไรเขาจะตอบเป็นหลายเรื่องสมุดไทยทีเดียกัแต่นนี้สุดไม่มีประโยชน์เลยเลยถามนักชีววิทยาก็บอกคือปุถุาสรุ่นที่ยังไม่ตายเลยแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไร แต่เวลามถามชาวนาภาษาลุงชีวิตคืออะไรบางทีได้คําตอบก็สุดทุกข์ไงเข้ใจไหมันเราเราควรจะลัดคําถามออกนะฮะนั่นคือกลัน่นกรองคําถามปัญหาที่ไม่รู้จบออกไปนี่เป็นคําแนะนําของพู้เจ้านะครับที่ท่านบอกปัญหาไม่รู้จบนี่ถ้าคืนดคิดมากท่านบอกมีส่วนหนึ่งความเป็นบ้าครับ กลัวไหมครับมีหมดทํา ม, มนหนึ่งที่เรียกว่าอาจินตะยวัตถุอจินไตยสิ่งไม่พึงคิดโลกมาจากไหนสมุทธเจ้าอยู่ในฌานแล้วเป็นอะไรเนี่ยเท่วกับพูดตรงนี่จบเลยหรืออนาคตของโลกจะไปถึงไหนซึ่งเรามักกิวตตกกันนเนี่ยนั้นถ้าเราขืนทุ่มเทมในทางนี้เราจะเมื่อยล้าครับเพราะเราในสุดสุดท้า ย, ยการตั้งคาถามปิดๆขึ้นมา ผมไม่ถือคําถามนี้ผิดนะแต่ว่าคําถามซึ่งมันมันจะเบีเ่ยงเบนออกจากเจตนาเราแท้ๆของวิทยาศาสตรานะผมเชื่อวันหนึ่งคําตอบนี้จะประดังประเดยขึ้มานะผมตอบให้ก็ไม่ไม่ชึ่งมีประโยชน์ไม่ใช่เรี่ยง น, นะผมตอบได้นะตอบได้เป็นชั่วโมงเลยแต่ไม่เคยมีประโยชน์นะแต่วันหนึ่งเราจะรู้เองครับว่าบางที คำตอบของเราอายู่ว่าเราไม่เคยเกิดมาเลยก็ได้ครับสิ่งที่เป็นไปนี้ไม่ใช่เราก็ได้ครับถึงคําถามว่าเรามาจากไหนไปไหนคิดตามบางทีไม่มีคําตอบตรงนั้นแบบมันกลับตอบด้านอีกด้านว่าเราไม่เคยเกิดพุทธศาสนาตอบอย่างนี้นะครธรรมเนจรุงเล็กๆมาบวชแล้วเนี่ยจะถูกสอนคําอบคำตอบอันนี้ทันทีเพื่อให้ความลังเลซับสายเนี่ยสิ้นสุดลงน ทุกครั้งที่กินข้าวผมจิวารว่าให้พิจารณาหรือปฏิเวกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราได้ทั้งเลยเนี่ยดังนั้นเราจะถามว่าเราไปเกิดหรือไม่นี้เราตายแล้วถึงนะมันมันเบี่ยงเบนครับปัญหานี้เป็นอภิปัญญาแล้วก็มันสนุกสำหรับนับคิดแต่สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงชีวิตจริงๆเนะี่ยปัญหานี้โลหัวครับสังเกตคําว่าเข้าถึงชีวิตฮะ ภาษาทยคำว่าถึงซึ่งชีวิตนีแต่แปลว่าตายคคนเข้าถึงซึ่งชีวิตคืตายอย่างเรื่องล้มหัวนั่นครับไม่มีใครเกิดไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีใครตายตออย่างนี้กวนโทรศัพท์เ่า ด, ดีครับไม่เหนื่อย <c oughs> ครับคือปัจชัยทางพุทธนี่ผมว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งแต่ีพว ก, พวกสาวเสดิกโชนยังมีความเชื่อว่าเมื่อพระพุธทธเจา้าเกิดเกิดเกิดในลักษณะใดแล้วเดินได้อย่างไรพวกพลังที่ เป็นลักษณะคล้ายๆโปรตเตสแตนต์นก็อยากจะรู้ว่าใน ล, ลักษณะที่ท่ายืนเท่าที่เห็ น, นเนี่ยยืนประสุนเนี่ยคงประสุนเดินไม่ได้นั่ง อ, อกนั่งลงนี่ยอยากลบจะยาวมากคือโดนถึงเจ็ดเก้าแล้วก็ยังพูดอะไรว่าเราสว่างแล้วเอาดรพูดเป็นภาษาอะไรเพราะว่าพระราชนันดากับพระราชบิดาราู้สึกจะคุณภาษาเพราะฉะนั้นสิ่ง น, น, นี้ครับผมอยากให้พิจารณาในที ถ้ามันเป็นของออกใสกแบชาบกหรืออะไรเนี่ยครับสำหรับที่ว่าท่านนน่อกว่าส้นน้อพายเอ่อเร่นเสื่อมแล้วเนี่ยผมเชื่อเชื่อตั้งแต่คิดว่าพู้กงกลง่าพ่อแม่ผมเองก็ตามไปยางซื้อกระไดไปสวรรค์เพราะฉะนั้นผมคิดว่า สิ่งเหล่านี้ครับการที่ทางดูนต่างๆอย่างที่เอาสิ่งทั้งหลายไปถวาย้ว่าเป็นทรัพย์สินอะไรอย่างนี้จะเป็นเรื่องดึงดูดศาสนาเสื่อมมากกว่าที่จะเชื่อชวูศาสนาที่เป็นความเข้าใจครับผมส่วนประโยชน์สุดท้ายที่ทูลทูลกีนี้ว่าพระพุทเจ้าเนี่ยผมคิดว่า น, นี่ก็อาจจะตรงกับครั้งเคร่งขอภัยที่จะกล่าวถึง เมื่อนักมวยไปไปชกที่ไหนก็ตามบอทพระบลังตกเกล้าซึ่งเคยได้ยินว่าท่านเองเคยบอกว่าฉันไม่เคยถึงมวยไม่เคยช่วยอะไรได้เพราะฉะนั้นแปลว่าการที่เอาศาสนามาเป็นเครื่องขึ้นอยู่ทั้งๆเลยรวมทั้งรัฐการอยู่ด้วยไม่เคยได้ยินว่ามาตั้งแต่สมัยสุลไทยอะไรประมา เูดถึงเรื่องต่างๆอ่างไรแต่นั่คือที่ถึงเรื่อและในสมัยนั้นก็รู้สึกว่าถ้าใครทำามผิดมีความสมรู้ที่จะือที่าสมรูได้แล้วเขาก็แยกใครกันเรี่ยงไปเล้วกันไปโดยที่คนสมัยนั้นไม่มีความรู้สึกว่าความสรัทธาเป็นเรื่องจำเป็นนะตลดชีวิตนเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปกครองเขาว่าที่อยากจะสร้างนะ คงทำคนจะลองลงคงให้แล้วไปสรางได้แต่สมัยนี้คนเร่งรีบเกินทำลองอกระอว่าสรางพระองค์เท่าที่รับกานี้ที่จะส่งทำไมมีใครที่จะเสะอจากใจหรือ ไ, ไ่จการวิจัยบไหจะก้ดชแล้วก็เอาลองมากอกนเป็นเ ท, ที่น่าที่จะขับสหรับศาสนาทนแต่ท่านเองก็พยายามสอบหัวว่า พระเจ้าเคยรับสั่งที่หนหมว่าเหมอนพระสงฆขอเถครับพระสงฆ์จที่ว่าคือเอ่อพระเยซูบอรยูาวนเชีซ่งขณะนั้นปีเตอร์ที่ว่าเขาชื่อไปีเตอร์อภรรย์กสวขนเชียในะนีตอร์ซึ่จะอาิตัวมาเป็นหลักในการที่จะเผยพระศาสนาแต่ว่าของพระสเขาพยายามสอนเร ท่านเยพที่ไหนว่าพระเจ้าเรียกปัจย า, า, า, าย น, ยน่าสาเือทนบ้ครับน่สนใจครับาการที่เรามีปฏิยากับคติความเชื่อทางศาสนานั้นนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นการท้าทายโบสการตีความในทุกวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากในการบอกเลิกศาสนานนนนใช้ไม่ได้เลย ผมเชื่อมั่นในศาสนาธรรมครับแต่ว่าการที่เชื่อทุกอย่างในพระคัมภีร์บ่งไว้ถ้าเรากินอาหารแล้วไม่ยอมแยกก้างออกซึ่งเป็นอันตรายพอๆก็บอกเลิกศาสนานะครับหลายประเด็นที่พูดมานะี่ยน่าสนใจทั้งนั้นเลยแต่ที่ผมจะทุงติงนึ่งครับคือที่บอกว่าให้ยกเลิกเรื่องชาดกชาดเด็กให้หมด <c oughs> หรือการเกิด เดินเจ็ดเก้าลยนะที่จริงเราต้องเข้าใจรหัสสัา ย, ยะพระคัมภีร์ว่าของคริสในว่าในไบเบิลในเจเนซิสหรืออัลตริดดกนะคร mm ับ hmm. เขามีกรรมวิธีในการสั่นมุกถ้าถามว่าทำไมเขียนตรงๆไม่ได้ผมคิดว่ามีเรื่องที่ต้องพิจารณามากกว่าเช่นยกตัวอย่างว่าในพระคัมภีร์หลังๆบอกว่าผู้เจ้าสูงสิบแปดศอก พอดูล้วเอนี่คนนึ